แง่คิดจากหนัง Battle Royale ดอกไม้ในเกมนรกทั้งหมดนี้เป็นบทสนทนาโดยบุคคลที่สมมุติขึ้นผมก็เกลียนหนังเรื่องนี้ที่สุดเลย ไม่เข้าใจว่าเขาปล่อยให้ฉายออกมาได้ยังไงแถมยังดังทั่วเอเชีย er ด้วยหนังเรื่องอะไรล่ะทำให้คุณเกลียดได้ขนาดนี้เรื่อง Battle Royal เกนนรกโรงเรียนพันโหดหนังมันโหดสมชื่อจริงๆโหดเสีย จ, จนไม่น่าสร้างออกมาด้วยซ้ำอ๋อหนังเรื่องเนี้ยผมก็เคยดูเหมือนกันไหนลองเล่ า, าตามมุมมองของคุณดูสิครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหนังเรื่องนี้เขาใช้ฉากในยุคสมัยไหน เห็นบอกตอนต้นเรื่องประมาณว่าสังคมมันฟอนเฟะมากพวกผู้ใหญ่ก็เลยหาวิธีมาควบคุมปรามเด็กด้วยการสุ่มเลือกเด็กมัธยมห้องหนึ่งให้มาเล่นเกม b บ t เ l e r o y ย l e หรือชื่อย่อเกม BR ในสายตาคุณเกมนี้มันโหดยังไงเกมนี้ไม่ใช่แค่โหดอย่างเดียวนะคุณมันยังไร้ศีลธรรมสุดๆทำลายความเป็นมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยคิดดูเอาเด็กมัธยมอายุสิไปปล่อยเกาะ และบังคับให้เด็กทุกคนต้องฆ่ากันให้ตายภายในสามวันคนที่เหลือรอดคนเดียวเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะแต่ถ้าเหลือมากกว่าคนเดียวทุกคนจะตายหมดเด็กมีทางเลือกอื่นไหมไม่มีเลยทุกคนถูกจับใส่ปลอกคอระเบิดตั้งแต่พาตัวขึ้นบนเกะาะปลอกคอเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าเด็กอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรถ้าพวกเขาทำอะไรผิดกฎของเกมปลอกคอจะระเบิดแล้วคุณรู้ไหมว่า ใครเป็นคนควบคุมเกมนี้ก็ครูของพวกเขาเองนั่นแหละเป็นครูที่ผมไม่อยากเรียกว่าครูเลยเพราะคนที่สามารถมองเห็นการตายของเด็กเป็นเรื่องสนุกได้ไม่น่าเรียกว่าคนด้วยซ้ำและยังไงอีกครับเด็กทุกคนยอมฆ่ากันเลยเหรอมันก็ไม่ถึงกับทุกคนหรอกเด็กบางคนก็ไม่กล้าฆ่าใครชิงฆ่าตัวตายก่อนก็มีเด็กบางคนโดนสถานการณ์บีบคั้นมากๆจนประสาทเสียเลยก็มี เด็กบางคนกลายเป็นพวกกระหายสงครามสนุกกับการได้ฆ่าคนดูไม่ผิดอะไรกับปีศาจมันทําให้ทั้งเกาะดูเป็นนรกไปเลยสรุปว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยในสายตาคุณบอกว่าไม่มีอะไรดียังน้อยไปต้องบอกว่าทั้งเรื่องมีแต่นรกการฆ่าฟันที่ไม่สมเหตุสมผลฉากเลือดสาด ท, ที่ชวนขยะขยงใครโชคร้ายหลงไปดูต้องอ้อน้ำมูลล้างตาเลยทีเดียวที่จริงผมก็ดูหนังเรื่องนี้เหมือนคุณนะ แต่หน้าแปลกที่ผมมีความเห็นตรงข้ามกับคุณหลายอย่างเหมือนกันฮ่าอย่าบอกนะว่าคุณเห็นหนังเรื่องนี้ดีมากจนน่าแจากรางวัลอสการ์ให้ผมเห็นว่าหนังเรื่องเนี้ยแสดงภาพความจริงผ่านตัวละครเหตุการณ์สมมติและฉากโขดหดต่างหากความจริงแบบไหนของคุณก็ความจริงที่ว่าโลกเราเป็นแบบนี้เองผมมองภาพรวมของเกาะ น, นี้เป็นสังคมโลกเด็กทั้ง42คนก็คือมนุษย์ พลเมืองที่มีความแตกต่างทั้งด้านเพศอุปนิสัยพื้นฐานความคิดประสบการณ์เรียนรู้ความฉลาดในการเอาตัวรอดหลออคอระเบิดก็เหมือนกับความตายที่ติดตัวพรากเราทุกคนตั้งแต่เกิดไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่และอย่างไรส่วนกฎกติกาในเกมผมก็มองเห็นเป็นอุปสรรคปัญหาข้อบีบคั้นต่างๆที่คนเราต้องเผชิญหน้ากับมันตลอดชีวิตถ้าคุณเจาะลึกถึงเด็กแต่ละคนถึงการตายแต่ละแบบ การอาตรอดของเด็กแต่ละคนคุณจะเห็นสาระที่หนังซ่อนเอาไว้แบบปิดไม่มิดเริ่มตั้งแต่ตอนที่เด็กได้รับแจกถุงคู่ชีพที่มีของใช้จําเป็นประจําตัวรวมถึงอาวุธไว้เข็นฆ่ากันคุณจะเห็นเด็กคนหนึ่งกล้าคืนถุงคู่ชีพนั้นด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวแสดงว่าถึงบีบคั้นแค่ไหนเธอก็จะไม่ยอมฆ่าใครแต่ก็มีเด็กบางคนที่รับถุงคู่ชีพอย่างลนลานทําตัวไม่ถูก บางคนยังเป็นฝ่ายเลือกด้วยซ้ำว่าจะใช้อาวุธแบบไหนคุณเห็นว่าความแตกต่างอย่างนั้นเป็นสาระของหนังงั้นเหรอผมเห็นว่าหนังแสดงให้ดูถึงความแตกต่างของเด็กทั้ง42คนเพื่อให้เรารู้และยอมรับว่าสังคมมีคนที่แตกต่างกันจริงๆและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนจะนำเราไปดูถึงผลสุดท้ายแต่ละแบบเมื่อหนังเข้าสู่ฉากของการไล่ล่าเล่นเกม คุณจะเห็นเด็กที่อ่อนแอจนไม่กล้าต่อสู้กับใครและไม่กล้าที่จะอยู่อย่างห้าวหาญพวกเขามีทั้งโดดหน้าผาฆ่าตัวตายทั้งพากันผูกคอตายซึ่งเป็นการจําลองภาพของคนในสังคมเราที่ยอมแพ้ต่อปัญหาง่ายๆและคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยนอกจากนี้ยังมีเด็กที่ประสาทเสียกลัวต่อปัญหาจนทําอะไรไม่ถูกเด็กที่เห็นแก่ตัว คิดแต่จะเอาตัวเองให้รอดโดยยอมเล่นเกมฆ่าเพื่อนที่หนั ก, กวันนั้นก็มีเด็กบางคนสแสดงสัญชตาตญาณดิบทำตัวสนุกสนานกับการฆ่าฟันไม่มีความปรานีใครแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังได้เห็นเด็กที่มีความหนักแน่นมีวุฒธธิภาวะรู้จักใช้สมองใจเย็นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างคนฉลาดภาพความหลากหลายเหล่านี้มันทาให้เราสามารถย้อนดูตัวเองได้เลยว่าเมื่อเราพบกับปัญหาหนักๆในชีวิต เจอภาวะกดดันบีบคั้นแรงๆอย่างเนี้ยเราจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบไหนเราจะเป็นคนแบบใดจากการแสดงของเด็กทั้ง42คนเนี้ยแล้วคุณลืมไปหรือเปล่าในเรื่องนี้มีเด็กดีๆต้องตายไปอย่างน่าสงสารตั้งเท่าไหร่ทั้งกลุ่มเด็กผู้หญิงที่ออกไปตะโกนเรียกร้องให้เพื่อนๆหยุดข้าฟันหันมาปลองดองกันกลุ่มเด็กผู้ชายที่มีมันสมองมีศักยภาพสามารถหาวิธีทาลายเกมได้แล้ว แต่ทั้งสองกลุ่มเนี้ยกลับถูกเด็กที่กระหายเลือดฆ่าตายอย่างเมามันคุณเคยเห็นในสังคมเรามีคนที่บ้าเลือดชอบระรานคนอื่นอย่างไม่มีเหตุผลมหมภาพในหนังก็สแสดงความเป็นจริงในมุมนี้เห็นแล้วคุณจะทําอย่างไรมีความระวังตัวใช้สติในการกระทําใดๆมากกว่าเดิมหรือเปล่าดูเหมือนคุณจะหาข้อค้านผมได้หมดเลยจริงๆนะมันเป็นความคิดจากมุมมองส่วนตัวมากกว่าครับผมชอบหนังเรื่องนี้เพราะท่ามกลางความโหดร้าย ยังมีสิ่งงดงามที่เรียกว่าความรักท่ามกลางกองเลือดยังมีสายทานแห่งน้ำใจท่ามกลางความสับสนขัดแยง้งยังมีความเชื่อถือไว้วางใจกันผมแยกตัวเองออกมาเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงมองภาพที่แสดงออกมาเป็นความจริงที่ไม่คิดปฏิเสธความจริงที่คนเรานั้นแตกต่างและการกระทำที่แตกต่างนั้นก็จะส่งให้เห็นถึงผลที่แตกต่างความสนุกของคนดูหนัง อยู่ที่แค่ดูและรับรู้เท่านั้นรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบทสรุปหนังตอกย้ำถึงความงดงามของความรักและมิตรภาพทางออกของเกมนี้คือคุณต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในการละกันเชื่อมั่นในมิตรภาพในน้ำสายใจจริงของเพื่อนความมีสติและการใช้ปัญญาที่ถูกต้องเป็นทางออกทางรอดเดียวในเกมนรกที่โหดร้ายมครับ เปแล้วองอจกล้าตัวลุ่อลอยหายไปตอนมีลใหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิด